50 languages. 29 2สที่ร้านอาหารหนึ่ง p a l a h a a m a n a l i โต๊ะนี้ว่างไหมคะีจกาลีเดย ดิฉันอยากได้รายการอาหารค่ะเดวิดตุนันเกตินดีกลาปัตติยันโนโคดีคุณมีอะไรแนะนำไหมคะนีวูยาวตินดียันโนชิฟารัสสูมาดุตตีระดิฉันขอเบียค่ะนันเกวนดูเบียเปกากิตุดิฉันขอน้ำแร่ค่ะ นั่นเองวันดูขนมจี๋ยุคตานีรูเบกาจิตตูดิฉันขอน้ำส้มค่ะนั่น g องวันดูกิทเตอ e ์เล่ห i นหนีนารัสซาเบ g าจิตตูดิฉันขอกาแฟค่ะนั่นเ e งวันดูกาแฟเบกาจิตตูดิฉันขอกาแฟใส่นมค่ะนั่นเองวันดูฮาลูมิชิตากาแฟเบกาจิต กรุณาใส่น้ำตาลด้วยนะคะดียวิตุสักการีโอดานีดีดิฉันขอชาค่ะนันะเกุ cha ชะฮาเบคตุดิฉันขอชาใส่มะนาวค่ะนันนิมบันดนารสัตว์อดุนดูนะะดดนนดช ka g i t คตุดิฉันขอชาใส่นมค่ะ นั่นเองวันดูฮาลุมิชิตะจะหาเบ a ากิตคุณมีบุหรี่ไหมคะนิมมะบลีซิกรตอิดคุณมีที่เขี่ยบุหรี่ไหมคะนิมมะเบลีแอชเทรย์อิดคุณมีไฟไหมคะนิมมะเบลีเบนกี้ัตตีอิด ดิฉันขาดซ่อมค่ะนันนะ่ะใบลีโฟร์อิ่ l ดิฉันขาดมีดค่ะนั่นนะ่ะใบลีจั๊กูอิ่ l ดิฉันขาดช้อนค่ะนั้นน่ะใบลีชัมมัชชาอิล่ล l